กล่าวเฉพาะสังคะของพิสุสง์ในแง่ของความเป็นอิสระทางวัตถุการที่จะมีและดํารงรักษาความเป็นอิสระเช่นนั้นไว้ได้โดยพื้นฐานก็อยู่ที่การมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาวัตถุน้อยซึ่งต้องพ่วงมากับคุณธรรมในใจิตใจที่จะให้อยู่ได้อย่างดีในวิถีชีวิตอย่างนั้นโดยเฉพาะข้อสําคัญที่แสดงออกมาในความเป็นอยู่คือความสันโดษดังนั้นสันโดษ จึงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงย้ําสําหรับพระภิกษุหรือบรรพจิต ท, ทั้งหมดพร้อมกับสันโดษด้านวัตถุที่ทําให้เป็นอยู่ง่ายมีความสุขได้ด้วยอาศัยวัตถุน้อยนั้นพระภิกษุเมื่อไม่ต้องใช้เวลาเรี่ยวแรงและความคิดไปกับเรื่องวัตถุก็นําเวลาเรี่ยวแรงและความคิดไปทุ่มเทให้กับความเพียรพยายามในการปฏิบัติเพื่อความเป็นอิสระทางจิตปัญญาได้เต็มที่ ดังที่ได้เป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอริยวงสี่ประการขอกล่าวรวบรัดว่าพระพิสุสงฆ์ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาวัตุน้อยนั้นไม่ได้ประกอบศิลปะวิทยาเลี้ยงชีพและโดยอาศัยวิถีทางที่โบราณประเพณีเปิดไว้ก็เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านแบ่งปันให้แต่พร้อมกันนั้นก็ถือว่า ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเลือกอาหารหรือปัจจัยอย่างชีพทั้งหลายควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายมักน้อยสันโดษโดยดำเนินตามหลักอริยวงสประการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้คือหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามีตามได้เป็นผู้มีปกติสันเสริญคูนแห่งความสันโดษด้วยจีวรตามีตามได้ ไม่ประกอบอเนกนาคือไม่ประกอบการแสวงหาในทางที่ผิดเพราะเห็นแก่จีวรเมื่อไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้จีวรก็ไม่ติดไม่สยบไม่หมกมุ่นย่อมใช้สอยอย่างรู้ทันเห็นโทษมีปัญญาสลัดตัวออกได้และทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นพิสุทใดชานฉลาดไม่เกียดคร้าน มีสัมปชัญญะมีสติมั่นในจีวรสันโดษนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้สถิตในอริยวงอันเป็นของเก่ามีมาตั้งแต่เดิม 2. อ, อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยบินทบาทตามมีตามได้เป็นผู้มีปกติสรนเสริญคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยบินทบาทตามมีตามได้ไม่ประกอบอเนสนา คือไม่ประกอบการแสวงหาในทางที่ผิดเพราะเห็นแก่บินทบาทเมื่อไม่ได้บินทบาทก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้บิณทบาตก็ไม่ติดไม่สยบไม่หมกมุ่นย่อมบริโภคอย่างรู้ทันเห็นโทษมีปัญญาสลัดตัวออกได้และทั้งมายกตนไม่กขมผู้อื่นด้วยความสันโดษ ด, ด้วยบิณทบาทตามมีตามได้นั้นภิกษุใดฌ า, านฉลาดไม่เกียดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่น ในบิณทบาทสันโดษนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้สถิตในอริยวงอันเป็นของเก่ามีมาแต่ดั้งเดิม 3. อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้เป็นผู้มีปกติสรนเสริญคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้ไม่ประกอบอเนสนาคือไม่ประกอบการแสวงหาในทางที่ผิดเพราะเห็นแก่เสนาสะนะ เมื่อไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้เสนาสนะก็ไม่ติดไม่สยบไม่หมกมุ่นย่อมใช้สอยอย่างรู้ทันเห็นโทษมีปัญญาสลัดตัวออกได้และทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษ ด, ด้วยเสยนาสนะตามีตามได้นั้นพิกษุใดชานฉลาดไม่เกียจคร้านมีสมปัญญะมีสติมั่นในเสนาสนะสันโดษนั้นภิษุนี้เรียกว่า เป็นผู้สถิตในอริยวงอันเป็นของเก่ามีมาแต่ดั้งเดิม 4. อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมชื่นชมยินดีในการเจริญกุศลธรรมมีการละอกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมอีกทั้งเธอไม่ยกตนไม่ขมผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมด้วยความชื่นชมยินดีในการเจริญกุศลธรรมด้วยความเป็นผู้มีการละอกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมด้วยความชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมนั้นพิสุทธิใดชานฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีส ต, มนะมสติมั่นในการภาวนาและปหานะคือมีสติมั่นในการเจริญกุศลธรรมและการละ อากุศลธรรมนั้นพิสุนี้เรียกว่าเป็นผู้สถิตในอริยวงค์อันเป็นของเก่ามีมาแต่ดั้งเดิมคุณธรรมดังเช่นความสันโดสนั้นว่าโดยพื้นฐานก็สอดคล้องกับศีลสําหรับพระพิสุนั้นเองและศีลสําหรับพระพิสุสง์นั้นก็จัดวางไว้เพื่อให้พระพิสุสง์มีวิถีชีวิตแห่งความสันโดษและเพื่อเกื้อหนุนให้พิสุทั้งหลาย อุทิศชีวิตให้แก่การบำเพ็ญเพียรในการพัฒนากุศลและลดละอกุศลนั่นเอง